ธรรมวาทีและอธรรมวาทีอธรรมวาทีบุคคลอธรรมวาทีภิกษุมากรูปอธรรมวาทีสงอธรรมวาทีบุคคลธรรมวาทีภิกษุมากรูปธรรมวาทีสงกันหะปักกะนวกะว่าด้วยธรรมฝ่ายดำเก้าอย่าง สำ ม, มุขาวิไนปฏิรูปอธรรมวาทีบุคคลยังธรรมวาทีบุคคลให้ยินยอมให้พินิษให้เพ่งให้ใคร่ครวญให้แสดงให้แสดงตามว่านี้ธรรมนี้วิไนนี้สัตว์ศาสตร์ท่านจงถือเอาข้อนี้จงพอใจข้อนี้ ถ้าอาธิกรณ์นั้นระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับโดยไม่ชอบธรรมเป็นสั ม, มุขาวินัยปฏิรูปอธรรมวาทีบุคคลยังธรรมวาทีภิกษุมากรูปให้ยินยอมให้พินิษให้เพ่งให้ใครครวญให้แสดงให้แสดงตามว่านี้ธรรมนี้วินัยนี้สัตถุศาสตร์พวกท่านจงถือเอาข้อนี้ จงพอใจข้อนี้ถ้าอธิกรนั้นระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับโดยไม่ชอบธรรมเป็นสำ ม, มุขขาวินัยปฏิรูปอาธรรมวาทีบุคคลยังธรรมวาทีสงให้ยินยอมให้พินิษให้เพ่งให้ใคร่ครวญให้แสดงให้แสดงตามว่านี้ธรรมนี้วินัยนี้สัตตุสาสตร์ ท่านจงถือเอาข้อนี้จงพอใจข้อนี้ถ้าอธิกรณนั้นระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับโดยไม่ชอบธรรมเป็นสำ ม, มุขาวิัยปฏิรูปอธรรมวาทีภิกษุมากรูปยังธรรมวาทีบุคคลให้ยินยอมให้พินิษให้เพ่งให้ใคร่ครวนให้แสดงให้แสดงตามว่านี้ทรรมนี้วินัย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 ให้ใคร่ครวญให้แสดงให้แสดงตามว่านี้ธรรมนี้วินัยนี้สัตวุศาสตร์พวกท่านจงถือเอาข้อนี้จงพอใจข้อนี้ถ้าทธิก่อนนั้นระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับโดยไม่ชอบธรรมเป็นส ม, มุขาวินัยปฏิรูปอธรรมวาทีสง์ยังธรรมวาทีบุคคลให้ยินยอมให้พินิษ ให้เพ่งให้ใคร่ครวญให้แสดงให้แสดงตามว่านี้ธทรรมนี้วินัยนี้สัสตว์ทุสา์ท่านจงถือเอาข้อนี้จงพอใจข้อนี้ถ้าทธิกรนนั้นระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับโดยไม่ชอบธรรมเป็นสำ ม, มุขาวินัยปฏิรูปอรรมวาทีสง ยังธรรมวาทีภิกษุมากรูปให้ยินยอมให้พินิษให้เพ่งให้ใคร่ครวญให้แสดงให้แสดงตามว่านี้ธรรมนี้วิในนี้สัตว์ศาสตร์พวกท่านจงถือเอาข้อนี้จงพอใจข้อนี้ถ้าอธิกรณ์นั้นระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับโดยไม่ชอบธรรมเป็นสา ม, มุขาวิในปฏิรูป อธรรมวาทีสง์ยังอธรรมวาทีสงให้ยินยอมให้พินิษ์ให้เพ่งให้ใคร้ครวญให้แสดงให้แสดงตามว่านี้ธ ร, รมนี้วินัยนี้สัตวุศาสตร์ท่านจงถือเอาข้อนี้จงพอใจข้อนี้ถ้าอธิกรณ์นั้นระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับโดยไม่ชอบธรรม เป็นสัมมุขาวินันปฏิรูปกันหะปักขะนวกะจบสุกะปักขะนวกะว่าด้วยธรรมฝ่ายขาวเก้าอย่างสัมมุขาวินันโดยธรรม ธรรมวาทีบุคคลยังอธรรมวาทีบุคคลให้ยินยอมให้พินิษ์ให้เพ่งให้ใคร่ครวญให้แสดงให้แสดงตามว่านี้ทรรมนี้วิเนยนี้สัตธุศาสท่านจงถือเอาข้อนี้จงพอใจข้อนี้ถ้าอธิกรณ์นั้นระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับโดยธรรมเป็นสมมุขาวิเนย ธรรมวาทีบุคคลยังอาธรรมวาทีภิกษุมากรูปให้ยินยอมให้พินิษให้เพ่งให้ใครครวญให้แสดงให้แสดงตามว่านี้ธรรมนี้วิัยนี้สัตวุศาสตร์พวกท่านจงถือเอาข้อนี้จงพอใจข้อนี้ถ้าอธิกรนั้นระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับโดยธรรม เป็นสำ ม, มุขาวิไนธรรมวาทีบุคคลยังอธรรมวาทีสงให้ยินยอมให้พินิษให้เพ่งให้ใคร่ครวนให้แสดงให้แสดงตามว่านี้ธรรมนี้วิไนนี้สัตธุศาสตร์พวกท่านจงถือเอาข้อนี้จงพอใจข้อนี้ถ้าอธิกรนั้นระงับอย่างนี้ ชื่อว่าระงับโดยธรรมเป็นสำ ม, มุขาวินัยธรรมวาทีภิกษุมากรูปยังอธรรมวาทีบุคคลให้ยินยอมให้พินิษให้เพ่งให้ใครครวนให้แสดงให้แสดงตามว่านี้ธรรมนี้วินัยนี้สัตตุศาสตร์พวกท่านจงถือเอาข้อนี้จงพอใจข้อนี้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 พวกท่านจงถือเอาข้อนี้จงพอใจข้อนี้ถ้าอาธิกรนั้นระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับโดยธรรมเป็นสา ม, มุขาวิไนธรรมวาทีภิกษุมากรูปยังอะธรรมวาทีสง์ให้ยินยอมให้พินิษให้เพ่งให้ใคร่ครวญให้แสดงให้แสดงตามว่านี้ธรรมนี้วินยัย นีสัตธุสาสตว์พวกท่านจงถือเอาข้อนี้จงพอใจข้อนี้ท้าที่ก่อนนั้นระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับโดยธรรมเป็นสั ม, มุขาวินัยธรรมวาทีสงยังอธรรมวาทีบุคคลให้ยินยอมให้พินิษให้เพ่งให้ใคร่ครวนให้แสดงให้แสดงตามว่านี้ธรรม